รรมด้านปฏิบัติสูฟังพ <c oughs> อด้านปริยัติแล้วจะไปศึกษาที่ไหนก็อพอไปศึกษาได้ตำลับตำร า, <c oughs> านีอานอกจากนั้นครูแนะนำสั้งสอนมันก็มีทั่วไปด้านปฏิบัตินี้เป็นเรื่องหายากหน่อยเพราะการปฏิบัติกับด้านปริยัติมันผิดกัน ปริยัติอ่านเท่าไรก็ยิงหลงไหล ย, ยิงเกิดเกินมีเกิดจิตมานะจิตเลี่ยนตัณหาใชเรื่องจิตใจธรระจิตใจของตัวแต่ด่านปฏิบัตินี้เราปฏิบัติเข้าไปเท่าไรจิตใจนาเข้าไปเท่าไรจิตใจตัวรู้สึกส ง, งบเย็นขับไล่ความคิดเต็ดึนเกี่ยวต่างๆให้ตกไปนี่คือด่านปฏิบัติ ทุกคนเกิดมาปรารถนาความสุขแต่ไม่ทราบว่าสายเหตุที่จะเกิดสุขได้เพราะอะไรเหตุนั้นจึงสแสวงหากันไปต่างๆนา น, า, น า, าเรื่องนั้นมันจะนำความสุขมาให้อันนี้จะนำความสุขมาให้ก็เลยหาสายเหตุจริงจังไม่ได้ว่ามันสุขเกิดมาเพราะอะไร ทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจา้าทรงค้นพบ <c oughs> เรื่องของความสุขที่ แ, แตกต่างกับเรื่องโลกสมมติทั่วไปที่เขาสแสวงหากันพวกเราที่ว่าสุขเพราะเห็นรูปที่หน้าดูหน้าชมได้ยินเสียงที่ใจร้ะได้ดมกลิ่นที่หอมหวนได้ริมรสที่อร็ดอร่อย สวมผาิจีอ่อนนุ่มต่างๆถือว่าเป็นความสุขแสวงหากันมาตลอดระยะเวลาความสุขส่วนนั้นก็สุขจริงในเมื่อจิตเราชอบกายของเราสงบกายของเราไม่มีโรคภัยเบียดเบียนแต่มันสุขเกินโดยทุกคือสิ่งที่เราชอบ เราเห็นว่าอันนั้นมันดีมันเด่นมันสวยมันงามรูปแบบนั้นนานวันเข้ามันก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของมันเหมือนดอกไม้ที่แยมบานออกมาใหม่ๆก็ดูว่ามันสวยงามแต่นานวันเข้านั้นก็เหนียวก็แห้งไม่สมปรารถนาเมื่อมันไม่สมปรารถนาจิตใจก็ จะเกิดทุกข์ขึ้นเสียงก็เหมือนกันเราได้ยินได้ฟังใหม่ๆก็ขอยใจว่ามันไพเราะดีแต่เมื่อฟังเรื่อยๆไปมันก็เบื่อในเรื่องของโลกมันเป็นอยู่แบบนั้นแต่ก็หล้มลิ้ไปฝันยินดีเพลิเพลินแสวงหาเรื่องของธรรมะไม่เป็นแบบนั้นท่านเองธรรมะจิตใจของตัว จิตจงจิตติดข้องในสิ่งต่างๆที่ลุมหลงให้ตกออกไปใจจะรู้เห็นตามเป็นจริงของมันแล้วอยู่สงบไม่ไปเกี่ยวเกาะพัวพันกับสิ่งที่เห็นที่รู้ต่างๆนี่ทางของศาสนาทานสอนอย่างนั้นความสุขที่แท้จริงนั้นมันอยู่กับจิตของเราไม่ได้อยู่กับวัตถุภายนอก ถ้าจิตม่สุขจะไปอยู่สถ า, านที่ใดมีอะไรกอดตามมันกอไม่สุขให้ไม่สบายให้ถ้าจิตสุขจะอยู่สถ า, านที่ใดมันกอดสุขกอดสบายในส่องไปหาสิ่องอื่นมาให้มันเป็นสุขเพียงแต่ทําจิตของตัวให้สุขคือให้สงบระงับดับ ที่เหลือปัญหาที่มันเคยหออยั่งยุ่จิตใจให้เกี่ยวข้องกิ่งจึงต่างๆโดยทางปัญญาที่นิจเจนน่ตามความจริงของมันเมื่อเห็นความจริงมันจะยอมจนอนํานนจิตของเรามันไม่เรียงวนเกาะเกี่ยว อ, อีกถ้ามันเห็นความจริงเป็นจริงอย่างนั้นนี่มันไม่เห็นความจริงให้ พอได้อันนั้นมาก็หลงไหลไปอยากได้อันใหม่ก็พ่อแม่ทราบความจริงของมันเป็นอย่างไรมันจริงเป็นอย่างนั้นถ้าเห็นความจริงของมันขห็นรูปที่เราหลงไหลไฝฝันปรารถนาอยากได้รูปเหล่านั้นมันไม่ตั้งมั่นถาวรมันเป็นอนิจจัง ในตัวของมันื่อเปลี่ยนแปลงไปตามหน้าที่อยู่ทุกระยะผลที่สุดกว่าแตกสลายมาทิจนารูปกายของเราเท่านั้นมันก่อถั่วถึงกันทั้งโลกทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันเพราะรูปกายของเรานั้นมันก่อเป็นโลกอันหนึ่งซึ่งเราจะต้องพิสูจน์พิณิพเจนาให้ทราบตามความเป็นจริงของมันรูปประขัน หมายถึงรูปพวกเราท่านถ้าหากเก็บู่ถึงทำก็รูปปฏรทำมันเป็นธรรมอันหนึง่งสื่งแสดงอยู่ทุกระยะเวลาหาความแนนอนจริงจังไม่ได้มันจริงในสิ่งที่เราไม่ปรารถนามันจริงในหน้าที่ของมันหักห้ามไม่ได้แกไปตามสภาพอยู่ตลอด ระยะเวลาจะนัน่งจะนอนจะยืนจะเดินมันก็เปลี่ยนแปลงของมันไปอยู่อย่างนั้นมีหมายคือขันเรศนาขันก็เหมือนกันมันเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตามสภาพของมันฉะนั้นกายของเราท่านจึงเป็นตำรากิ่ศึกษาเกความสำลักจิตใจของตัวที่ข่วงติดจิตตึงหยุ่นเกี่ยวก็ะเรื่องต่างๆ เมื่อเห็นกายของตัวในเป็นของชิรังอย่างยืนเกิดขึ้นแปรปวนแตกสลายกายของคนอื่นสัตว์อื่นทั่วโลกมันก็เหมือนกันเมื่อเราลั ก, กายของเราเราก็ละ ก, กายของคนอื่นเมื่อลงกายของเราก็ลงกายของคนอื่นดังนั้นจึงศึกษาในกายของตัวให้ถวถึงกายอันนี้ประกอบขึ้นจากธาตุทั้งสี่คือดินน้ำ ลมไฟผสมกันเข้าเราก็เรียกว่ากายเมื่อมันสามัถทีกันมันก็พอไปมาทำอะไรการงานต่างๆได้สะดวกสบายเมื่อมันหนึ่สามัถคีกันเกิดถาดอะไรอันหนึ่งเปลี่ยนสภาพไปแปรปวนไปกายอันนี้ก่อ จะทำอะไรก็ไม่ได้ลำบากเพราะมันไน่สามารถคีกันเป็นลมหายใจในสะดวกแถา น, นั้นมันก็ทุกไปทั้งทั้งคือถายบินมันกม็มีอะไรแต่มันก็เกลียงกันไปหมดเหมือนน้ำในตุ่มในไหายเราไม่ได้ไตักเอาหมดตักเอาแต่เสียงถ้วยเดียวหรือแก้วเดียวเถา น, นั้น แต่มันก็สั่นสะเทือนไปหมดในหน้าในหายในตุ่มเหล่านั้นทำนองเดียวกันถาดอะไรอันหนึ่งมันแปรปลีนเท่านั้นถาดทั้งสี่ในกายมันก็แปรปลีนไปเดียกันมันจึงมนนีความสงบความสบายให้หไม้ถึงถาดที่จะี่นิตพิจรารณาเพื่อให้เขาใจเราทราบว่ามันเป็นอย่างนั้นตามเป็นจริงของมัน จิตใจของเราเข้าใจตามเป็นจริงมันกลมให้ยู่เกี่ยวกันมันแปรปวนไปตามหน้าที่ของมันก็ทราบว่ามันแปรปวนจะไปยุ่งเกี่ยวมันก็มไม่เกิดสาระประโยชน์อะไรให้หนอกจากใจจะเป็นทุกข์นี่คือการที่นิจจเจนาะเกิดปัญญาละความคล่องจิตในรูปของตัวนอกจากนั้นเมื่อมันยุ่ง เดี่ยวสรงปรุงไปในทางราคาตันหาชอบคอยยินดีในรูปกวพิจรณาเรื่องอสุภะคือความในสวยงามของรูปตัวถอ น, นั้นมันก่อถั่วถึงกันไปหมดเพราะในรูปอันนี้เป็นไปดุจขี่ในมีอะไรที่จะสวยสดงดงามน่าดูน่าจูบน่าชม มันไหลออกมาทางตาทางจมูกตลอดถึงฟันที่เราบดเกี่ยวอาหารมันก็ยังมีกี่ฟันสิ่นของมันไหลออกมาจากสวรรต่างๆไม่มีอะไรหอมมีแต่ของเน่าของเหม็นขอ ง, ของปฏิกูลทางนั้นเดีย๋ยวที่เราไปหลงนั้นมันก็ทำนองเดียวกันไม่ควรจะไปหลงมันเพราะของเน่าเราไม่ใสนอน ในใจแมลงวันที่จะไปก่อเกี่ยวในของเน่าของเหม็นอย่างนั้นถ้าหากเราทราบเข้าใจจริงจิตเห็นแจ้งในสิ่งเหล่านี้มันก็หายในความกำหนัดยินดีเกิดเพลินไปในทางกามอารมณ์ต่างๆมีเราไหม่หมคอยจะพินิตพิจารณาชำระใจของตัวใจมันคิดอะไรก็ปล่อยมันไปตามเรื่องของมันเหมือนกันก็นกนว่าใจในมีเจ้าของ มันอยากจะคิดจะปรุงอะไรก็ไม่หักห้ามเอาไว้เมื่อปล่อยตามปล่อยอย่างนั้นมันก็เลยเกิดเลยแดนไฟหาความสงบหาความสุขไม่ได้หมันไม้อันนั้นหมันไม้อันนี้มาดีปรงามต่างต่างก็เลยหลงไหลไฟฝันนี่การํำร้ายใจของตัวจึงเป็นเรื่องสำคัญใจในสงบเท่านั้นใจในสุขเท่านั้นไม่มีอะไรในโลกที่จะสุขจะสงบ พอใจสึกใจสงบใจเห็นจริงเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะมาปิดบังเอาไว้ไม่มีอะไรที่จะม า, ายุ่อยุจอใจให้เดือดร้อนเกิดทุกข์ใจจึงเป็นสิ่งที่ควรทั้งรวมระวงังชำระสะสางสิ่งที่ชั่วเสียต่า ง, งๆให้หมดออกไปให้เป็นใจบริสุทธิ์ให้ใจผ่องใสให้ใจสงบ ให้ใจเย็นทางธรรมะท่านเนี้ยสอนอย่างนี้ไม่ได้สอนว่าฝึกดูที่โน้ทุกดูที่น้มันฝุกยูที่ตัวค้องตัวทุกดูที่ตัวข้องตัวความหลงแม่รู้ไม่ขอ่ใจตามเป็นจริงนั่นแหละก่อทุกข์ก่อโทษขึ้นให้แต่พูดถึงทุกประจําขันท่านก็อก่าวเอาไว้ชาติปีตู่ขา ชาติความเกิดนั่นแหละเป็นต้นเหตุของทุกต่างๆเกิดมาแล้วจะต้องมีภาระหน้าที่บริหารรักษาแต่ถึงตอนนั้นความทุกข์ก่อแสดงออกอยู่ทุกการทุกเวลา <c oughs> คือความอยากของใจมันมีเรื่องของถาดของขันมันก่อแปรปวนเปลี่ยนแปลงไปตามเรื่องของมัน แล้วไม่อยากจะให้มันเป็นไปอย่างนั้นหรืออยากจะให้มันเป็นไปอย่างนั้นแต่มันไม่เป็นไปตามความปรารถนาของตัวก็เกิดทุกเมื่อทุกเกิดขึ้นมาอยากขับไล่สายส่งมันหนีแต่มันก็อหมือนี้ตามความต้องการของตัวมันก็เกิดทุกเกิโถดโทษขึ้นนี่คือจิตที่ไม่รู้ไม่ใส่ใจตามเป็นจริงมีสิ่งติดบังคือกิเลสปัญหา นำพาจิตใจให้เกิดทุกข์ท่านจึงสอนให้ที่นิพิจานาสละใจของตัวการสละใจนั้นมันยากมันลำบากแต่ใครที่สละ ส, ะสางจิตใจของตัวได้มันสุขมันสบายไม่มีอะไรในโลกที่จะสุขจะสบายจะประเสริฐยิ่งกว่าจิตใจของตัวที่กําจัดสละชั่วออกไปหมดจบบริสุทธ์ ฉะนั้นพวกเราควรอย่างยิ่งที่จะกำหนดรักษาจิตใจของตัวถ้าจิตใจมันชั่วจะได้หาอะไรมาให้มันสุขมันสบายมันสุขมันสบายไนไดน้เพราะความชั่วของใจตัวถ้าใจมันสุกมันสบายแล้วจะหาความชั่วอะไรมาตากพามันอีก มันสาปทานในจิตนี่คือจิตของพระอริยเจ้าทั้งทางจิตท่านอยู่ในโลกเหมือนพวกเราแต่ท่านก็ไม่ทุกทางจิตใจของท่านแต่เรื่องธาตุขันธ์มันเป็นธรรมดาของมันก็พิจารณาตามเรื่องธรรมดาของมันว่าเกิดเป็นทุกข์มันทุกอย่างไรมันทุกเพราะความทนอยู่ได้ย่ก แต่ควนเปลีป่ยนแปลงไปเรื่อยๆปว ด, ดทุกข์นิดจะทุกข์ทุกจนนิดนั้นมันมีด้วยกันจะเป็นคนบางมีที่สุขขนาดไหนนิดจะทุกข์นั้นไม่เลือกหน้านิดจะทุกข์คือทุกข์ประจําขั น, นเห็นการหิวการกระหายการร้อนการหนาวต่าง มันมีแต่จำขันหากหากเราไม่ได้รับทานขาดขันอันนี้มันก็มีความหิวโหยเกิดขึ้นรับทานมากเกินไปความอึดอัดมันก็เกิดขึ้นไม่ได้กินก็เป็นทุกข์กินแล้วไม่ถ่ายมันก็เป็นทุกข์นอนหลับเกินไป ถึงเวลาตื่นในตื่นให้มันก็เกิดทุกนอนในหลับมันก็เกิดทุกมันมีแต่ทุกถ้าพูดถึงเรื่องของทุกถ้าจึงไห้เห็นตามเป็นจริงของมันว่าชาติความเกิดี่มันเป็นทุกเป็นเหตุสําคัญเราจะแก่จะเจ็บก็เพราะความเกิดของเราถ้าเราไม่เกิดแคอย่างการแสวงหาสมบัติพัตฒฐานต่างๆ มันก็ไนหมีขึ้นความไม่เกิดมันจะไม่เกิดได้เพราะอะไรทางศาสนาท่านสอนเอาไว้วนต่อของความเกิดมันเกิดมาจากอวิชาความไม่รู้ตัณหาความอยากอุปาทานความยึดกรรมคือการกระทำของตัวช่วดีต่างๆ นี่เป็นเรื่องทำให้เกิดที่จะดับความเกิดขอตรงกันข้ามก็ดับสิ่งที่มันหลงไหลใฝ่ฝันอริชาตัญหาอุปาทานนั้นเหมือนกันเมื่อดับมันได้ความเกิดความตายอีกมันก็ไม่มีเมื่อไม่มีเกิดเรื่องตายไม่ต้องสแสวงหาไม่ต้องกล่าวถึง ในเกิดมันกะไมในตายในเกิดมันก่อน ม, มีภาระหน้าที่ในเกิดเขาว่าตายศูนย์ตายดับเป็นเรื่องที่ในปาธนาของคนปุตุชนถั่วไปถือกันว่าจะให้ภุดให้เกิดอีกทํเชั่วยอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้มันจะภุดเกิดตลอดการคล้องมันเพราะกิเลสตัณหาในใจมันมี ที่มันไม่เกิดนั้นเพราะอาศัยทำความดีเพราะพิจารณาทำกำจัดอาสวะปัญหาอาวิชาอุปาทานในจิตในใจให้ตกไปขาดไปผู้อย่างนั้นท่านจะไม่เกิดอีกไม่เกิดอีกจะมีสุขที่ไหนนี่เป็นปัญหาใหญ่สำหรับผู้ทุชนรทั่วไปถือว่าการไม่เกิดนั้นเป็นสงังเกตจันไรสำคัญ ไม่มีใครต่าถนากันแต่พระพุทธเจ้าหรืออริยะเจ้าท่านสอนว่าการในเกิดอีกการใน่กาอพบเกาอชาติเป็นสุขอย่างนี้พานังประมังหึืออย่างนี้พานังประมังสุขขังที่เป็นพาสิตแต่เราไม่เคยเห็นความในเกิดม่าเป็นอย่างไรความในเกิดนั้นมันก็ไม่มีตาย สิ่งที่มันเกิดมันตายอะไรปัญญาตายานของผู้ประพืชปฏิบัติจะต้องทราบทุกแขนงทุกแง่ไปว่าอะไรมันทำให้เกิดทำให้ตายสิ่งเหล่านั้นท่านจัดกำจัดขับไล่ออกไปจากจิตจากใจโดยไม่มีอะไรสงสัยแล้วเรื่องที่เหลืออยู่คืออะไร ที่ไม่เกิดไม่ตายไม่หวัน่นไม่ไหวไม่เป็นไปตามสมุดของโลกท่านจะต้องทราบถ้าท่านไม่ทราบไม่ถอยใจอย่างนั้นท่านก็ไปเลยตัดพาสิทเอาไว้วะนิพพานนางพมังสุขขังนิพพานเป็นสุกอย่างยิ่งคือความดับสนิทของจิตของใจที่ในไปกอยุ่งเกี่ยวกับเรื่องอวิชาติหาอุปาทานต่าง ได้ทำลายมันไปได้ข่ามันตายไม่มีอะไรที่จะมาก่อขวนจิตใจที่บริสุทธิ์ผุดผ่องนั้นมันเป็นสุขมันไตรเสมีหมายถึงผู้ปฏิบัติรู้เห็นเข้าใจชัดเจนในตัวของท่านเมื่อท่านถึงท่านเป็นท่านเห็นท่านรู้อย่างนั้นความวันไหวของจิตของใจ ไม่มีจะมีอะไรเรื่องธาตุขันมันเป็นไปอย่างไรก็ทราบตามหน้าที่ของมันอย่างนั้นมันจะไม่วันไหวไม่หลงไหลไม่ยึดถือรูปเสียงกลิ่นรสมันมีอยู่ในโลกแต่เรายังไม่เกิดไม่อเกิดมาประสบพบเข้าสิ่งที่เราต้องการเราอยากได้านได้ตามต้องการมันก็เกิดทุกได้มาแล้วก็ทุกในการ รักษาหงเหนเหนเือมันปกไปหายไปก็เสียใจอีกเป็นทุกข์มันเป็นอย่างนั้นแต่ใครเล่าในโลกนี้สมปาถนาเราที่หลงไหลฝ่ายฝันก็เหมือนกันกับวกที่เขาตายไปจะหลงไหลฝ่ายฝันฝันขนาดไหนนั่นก็ไม่มีทางที่จะแก้ไขพระเป็นอริยสัจจะเกิดแก่เจ็บตายเป็นอริยสัจ เป็นสัตว์จะทมเป็นของจริงที่พระพุทธเจา้าทรงแหนสอนเอาไว้ในนี้ใครที่จะมีอำ น, นาจราชศรรักสามารถที่จะยึดเอาไว้ถือเอาไว้ให้คงเส้คนคงวาเสมอไปโลกอันนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้เมื่อทราบตามความจริงของมันมันจริงไม่หวั่นไหวเมื่อจิตใจไม่หวั่นไหวโลกมันเป็นไปอย่างไรก็ทราบตามเรื่องของโลก แต่จิตมันวันไหวไหมผู้ฝึกปฏิบัติจะต้องดูใจของตัวว่ามันเป็นอย่างไรเมื่อกระทบสิ่งเหล่านั้นเหล่านี้เข้าในต่อไปดูที่อื่นสําหรับตารามันอยู่นอกดูภายในตาเห็นรูป ม, มันคิดอย่างไรหูได้ยินเสียงมันคิดอย่างไรซึ่งแต่ก่อนยังไม่เคยอบรมและสอนไม่เคยประพฤติปฏบิบัติตัวเองเพอเห็น มันเป็นอย่างไรทุกคนย่อมทราบในจิตในใจของตนเมื่อประพฤติปฏิบัติเข้าใจชัดในสิ่งเหล น, นั้นมันเป็นอย่างไรทดสอบที่นี้พีเจนาดูเพราะรูปเสียงมันยังมีอยู่ในโลกไม่ขาดจากโลกและจิตใจเมื่อมันมีการหวั่นไหวจะต้องแก้ไขที่นี้พี่เจนาเพราะมันไม่ ถึงความจิงข้องมันมันจิงหวั่นไหวอยู่อย่างนั้นถ้ามันถึงความจิงข้องมันมันมีการหวั่นไหวจะเป็นรูปอะไรมาขอตามไม่ว่าจะรูปมนุษย์ขี่เหม็นเหม็นธรรมดารูปเทพดาบูดเทวดาจีดาซึ่งสวยสดงดงามเหนือมนุษย์มันก็ไม่มีการคิดปรุงอะไรยุ่งเกี่ยวอะไรพอรูปกวากจวจารูปเท่านั้นผู้ไปเห็นรูปก็เป็นอันหนึ่งรูปก็เป็นอันหนึ่ง รูปมัน ม, มีความหมายอะไรว่าเป็นหญิงเป็นชายว่าจีเรียหรือสวยงามจิตเท่านั้นไปมั่นหมายเมื่อจิตไปมั่นหมายแก่จิตคล้องตัวไม่ได้มันก็เป็นทุกข์ถ้าแก่จิตคล้องตัวได้ก็สักแค่ว่ามันจึงไม่เกิดปัญหาอะไรสําหรับใจนี่คือกรารพิจารณาทางด่านธรรมะเพื่อแก้ไขขับไล่ความหลงไหล ของใจตัวให้สงบให้เยือดเย็นต้องทีนี้ที่แกนะต้องการทำจึงจะเห็นจึงจะเป็นขึ้นไม่ใช่ไม่ทำอะไรจะให้มันเป็นไปอย่างนั้นมันเป็นไปไม่ได้โรคกิเลสเป็นโรคที่สำคัญตายไปมัวก็ยังติดข้องไป ในเหนือโรคของกายธรรมาดาโรคมะเร็งที่เขาว่ารักษาไม่หายในเหนือเวลามันตายไปเผาไฟหรือฝังดินเอาไว้มันหายไปมันเหนื่ยเกาะไปติดไปถูกพบถูกชาติอื่นมีนโรคของกิเลสตัณหาเป็นโรคร้ายที่สุดสําหรับพวกเราท่านควรกลัวมันควรสาระมัน การทำลายกิเลสตัณหาํำลายจิตใจของตัวนั้นก็แล้วแต่อุปนิสัยแล้วแต่จริตของตัวชอบอะไรที่จะนำมาที่นิจฉาเนาถ้ามันคิดรงไปมากอยากอันนั้นยุ่งอันนี้อยู่เรื่อยๆก็ลองกำหนดความตายดูความตายนี้มันไม่เลือกหน้า บาเป็นพระเป็นเมนเป็นหญิงเป็นชายมันตายได้ทุกคนไปเมื่อเกิดมาความตายนี้มีไปจําแขนคอเราอยู่ตลอดเวลาจะไปจะมาจะยืนจะเดินจะนัง่งจะนอนความตายติดตัวเราไปทุกระยะความตายนี้มันมีไปจําอยู่อย่างนั้น ทุกคนเกิดมาไม่อยากตายขนาดไหนก็ตายไปตายไปแล้วสิ่งที่เขาแสวงหาอยากได้วุ่นวายตังบนในเมื่อเวลาเขายังลมหายใจอยู่เขาเอาไปได้ไหมกายของเขาที่เขารักใข่ยินดีก็ไม่มีสิทธิ์มีแต่คนอื่นเท่านั้นจะหามไปลากไป เขาฝังกันพอมันเหน็ดเธอทิ้งเอาไว้ไม่มีอะไรที่เราจะได้จากโลกไฟเขาควงเงินทองบ้านช่องไรนาเรียบสวนต่างๆที่เราถือว่าเป็นของของเราอย่าไปคิดเลยว่าเราจะเอาไปได้เน้ะผมเส้นเดียวขนเส้นเดียวก็เอาไปไม่ได้เราจะไปลหลงไหลใส่ฝัน จนหาความสุขความสงบไปได้ทําไหมสอนใจควบตัวอย่าให้มันหลงจนเกินเหตุเกินผลที่เจอไงเอาความตายเข้ามาหักห้ามความปรุงคิดต่างๆเพื่อให้มันสงบลงดับลงไม่อย่างนั้นมันไม่มีวันนี่แต่มันจะดึงเราไปลากเราไปตึงเราไปเราไม่เสพควาย พะที่จะให้จิเลสตันหา <c oughs> มัน จ, จมจะหมกไปเราเป็นมนุษย์เรามีสติเรามีปัญญาพอที่จะพิจารณาได้หากห้ามปัดเป่าจิตใจของเราที่ฉั้วเสียต่างๆให้มันตกออกไปนีทางห้ามจิตใจของตัวเหมือนกันกันกบรถต้องมีเบรกถ้าไม่มีเบรกตรัลงถนนลงคองตาย มีความอยากของใจก็ทํานองเดียวกันถ้าเราไม่มีอัตนีตธรรมเป็นเครื่องห้ามเอาไว้มันยากมันใฝ่ฝันไปทุกเนี่ยทุกงุมทุกทิศทุกทางทุกสิ่งทุกอย่างจินเคยเทศเคยสอนเรื่องของเปรตที่ได้กล่าวเอาไว้ตัวใหญ่เท่าภูเขาจะรูปากของมันเท่ารูปเข็มกินอะไรก็ไม่มีวันอิม่ม วันเติมให้เพราะตัวมันใหญ่ถาวรเขามันเล็กถูเข็มใครจะช่วยเหลือมันได้จะเอาอะไรมาใส่ให้มันเต็มท้องเต็มพุงของมันมันก็ไม่มีวันเวลาให้เพราะูเข็มมันเล็กขนาดไหนภูเขามันใหญ่ขนาดไหนเราทราบนี่จิตใจความอยากตัญหาของพวกเราทันกว่าทารองโยอกัน มันมมีเงินอีกมันพอให้ได้เท่าไรมันก็ยังมีอยากอยู่อย่างนั้นความอยากของมันเท่ากับภูเขาแต่รายได้ของเรามันเท่ากับลูกเข็มมันเลยไม่พอให้แต่เราเชื่อความอยากอย่างนั้นก็ไม่มีเงินที่จะเป็นถูกได้ต้องหักห้ามตัดความอยากออกไปอย่าให้มันครับผมจิตใจของเราเหมือนชำระสาสางจิตใจของตัว ให้เบาบางจากความคิดความปุงความหยุ่นความเกี่ยวต่างๆตกออกไปชำระออกไปได้เท่าไรจิตใจมันก็ฟองใสจิตใจมันก็สงบจิตใจมันก็สบายเห็นได้จากตัวของตัวไม่ต้องให้คนอื่นเอาใบประกาศนิยบัตมาให้แต่มันเต็นในจิตในใจของเราเราเห็นเราเป็นมันเคยเป็นอย่างไรแต่ก่อนที่เคย ไม่เคยฝึกไม่เคยปฏิบัติเมื่อมาปฏิบัติแล้วมันจะต้องเห็นความละความถอนจากความยุ่งเกี่ยวในสิ่งต่างๆน้อยลงไปเบาลงไปเนมใจสงบนันก็รู้จักเพราะมันไม่เคยสงบมา ก, ก่อนเพราะมันสงบทำไมจะไม่รู้จักเด็จมันไม่เคยทานอะไรพร้อม สีเลียงหรือแม่ะพวมันเอาให้มันกินเมื่มันอิ่มพูดไม่ได้มันยังรู้จักเอาใส่อิ่มันก็คายออกมาป้อนออกมานี่คือความอิ่มของเด็กที่มันพูดไม่ได้มันก็รูจ้จักจิตใจของพวกเราท่านเป็นผู้ใหญ่จึงเคยปฏิบัติมากกว่าสาบเนื้อกันจิตใจจึงเคยยุ่งเกี่ยวกับเรื่องต่างๆหาทางสงบไม่ได้เราก็เคย เพราะมันสงบมันเป็นอย่างไรทำไมมันจะไม่รู้เพราะทำเป็นสันทิกปโกรู้เองเห็นเองในตัวองตัวถ้าไม่รู้เองเห็นเองไปเชื่อคนอื่นนั่นมันทำนอกไม่ใช่ทำในตัวทำนอกมีมาเท่ไรก็ไม่เกิดสาระประโยชน์ให้ทำในเป็นเรื่องสำคัญถ้าทำได้มันสุกมันสบายเพียงสงบเท่านั้นมันก็เห็นอนิสงส์แต่เสด ยิ่งกว่าถิงทั่วไปในโลกเพราะเหตุใดเพราะความสงบของใจนั้นรสชาติที่เราได้สัมผัสมันผิดกันกับสัมผัสทางกายสัมผัสทางกายคนทั่วไปก็เคยสัมผัสเคยรู้จักกันแต่สัตว์ทั่วโลกจะหลงไหลไฟฟันยึดถือว่าดีวแาวิเศษแต่เมื่อจิต แต่งบจากกิเลสลงรวมเท่านั้นจะทราบดีว่าความสุขผล น, นั้นกับผล น, นี้มันมีคุณค่าเนื้อกันมากเหตุนั้นพระพุทธเจ้าหรืออริยะเจ้าที่ท่านรประพุทธปฏิบัติท่านจึงไม่มีการวกกลับไปสู่เรื่องของโลกอีกเพราะเรื่องของธรรมที่ท่านรประพุทธปฏิบัติรู้เห็นเข้าใจชัดนั้น มันมีคุณค่าสาระสูงยิ่งกว่าเป็งที่เราเหลืองไหลใส่ฝันในโลกพระพุทธเจ้าก็เต็นถึงกัตสัตว์ความสมบูรณ์พูนสุขทางอานิจักรของเงินทองอูดเสียงเรื่องราวต่างๆตล อ, ลอดถึงยอดฐานบันดาสัตว์กษัตริย์เป็นจอมของมนุษย์เป็นยอดของมนุษย์คนทั่วไปก็ปราธนาะ ยินดีเดืยมใสใครได่เป็นกษัตริย์ก็ถือว่า ด, ดีกว่าวิเศษแต่พระพุทธเจ้าหรือหลายองค์ที่เป็นสาวกซึ่งเคยเป็นกษัตริย์มาก่อนเมื่อมาตระพุะทธปิบัติทำละจิตใจของท่านให้หมดจดแล้วท่านอยู่ได้จะอยู่ในตาในดวงนอนในยืนจินในหญ้าสบายในวุ่นวายกลงังวนอย่างพระ แตบีมท่านเคยเก่งอุทานสุกหนอสุกหนออยู่ตามร่มไม้ใา้เขาจนพระปู่ทุ่ยชนถั่วไปนําไปฟ้องพระพุทธเจ้าเจ้ า, าว่าพระองค์นี้ท่านเคยเป็นกษัตริย์มาก่อนคงจะคิดถึงปราสรลาดสวังคิดถึงอารมณ์ขั้งหลังอดีตของท่า น, นท่านจึงสูดสุกหนอสุกหนออยู่ พระพุทธเจ้าเรียกตัวไปถามท่านเุดอย่างนั้นไหมท่านก็ตอบว่าพูดที่พูดเพราะเหตุอะไรเพราะข่าพระองค์มีความสุขแต่ก่อนข่าพระองค์เป็นกษัตริย์ความนึดคิดจึงแต่งในจิตในใจในบริษัทบริวารในผ่ายฟ้าประชาชนต่างๆตลอดถึง <c oughs> แผ่นยินทีครอบครอง มันเล ม, มีความสุกความสบายให้ใจมันคิดอย่างนั้นใจมันปรุงอย่างนี้ตัว เ, เขาจะมาลบลาข่าฟันเอาประเ่ศชาติตัวเขาจะอย่างอำนาจอย่างนั้นอย่างนี้คิดอยู่ไม่มีวี่มีวันที่จะสงบพอข่าพระองค์มาประพฤติปฏิบัติจิตใจได้เขา้าถึงความสงบละถอนอารมณ์ปัญญาที่เป็นข้าสึกรบกวนได้มันสุกมันสบายข้าพระองค์จริงเริง อุทานมาสุกเนาสุกหน อ, หนอไม่ใช่ข่ะพระองค์คิดถึงปราสาทลาชสวงังอารมณ์หลังๆที่ผ่านมาพอเห็นความฝุกในปัจจุบันที่ละที่ถอนได้นี่คาตอบของท่านท่านตอบแบบนั้นท่านตาบแบบนั้ น, น, บบ น, นเพราะท่านเป็นกษัตริย์ผู้ประเฏิบัติมีฐานะนาที่นียศถาบรรดาศักดิ์สูงขนาดไหนมีสมบัติพระสถานมากมายขนาดไหน มันกม็มีความปุกความสบายเท่าที่ควรเพราะความคิดความปรุงยุ่งเกี่ยวกับเรื่องต่างๆมันมากขึ้นมีหน้าที่ใหญ่โตเท่าไรก็การงานรับผิดชอบมันมากแถานั้นีนทางโลกมันเป็นอย่างนั้นแต่ทางธรรมขัน้นสอนให้ตัดสัญญาอารมณ์ขมทิ่งเลือปัญหาละถอนอุปาทานความยึดถือของใจ เมื่อทำได้ชำระได้มันสบายมันสงบมันสุขการชำะระก็ะท่องอาศัยปัญญาที่วิิจารณนาชำระตัวของตัวเห็นมันติดในรูปเราไม่เห็นรูปนั้นก็มีอยู่แต่เราไม่เห็น จ, จิตใจติด <c oughs> เกงซึบอยู่เกี่ยวกับรูปนั่นก็ไม่มีพอไปเห็นเขา้ามันไปกเกาะเกี่ยว มันไปยึดถือมันไปอยากในรูป น, นั้นนั้นมันก็เกิดทุกข์ขึ้นนี่อุบายที่จะที่เจถ้า <c oughs> ท่างๆ ท, ที่รูปนั้นมีอยู่แต่ทําไมเนี่ยไม่มมเห็นมันจึงมาเป็นทุกข์เป็นสุขมันจึงมาไปยึดไปถือไปเกาะไปเกี่ยวเสียงก็เหมือนกันรูปเสียงมันมีอยู่ในโนลกแต่เรา ย, ยังไม่เกิดแต่ไหนแต่ไรมาพอมาเกิดแล้ว เราจะเป็นเจ้าโลกขว้าอกอกมาทับผมจิตใจของเราอะไรก็อายากได้อะไรก็อายากได้มันได้สนใจหมายไหมได้ามาแล้วมันให้สุขหรือให้ดดทุกข์อย่างไรเมื่อเราตายไปสิ่งเหล่านี้เราจะแบกหามไปได้ไหมต้องอาศัยการพิพิตรเจนะหาความจริงของมันเมื่อเห็นความจริงมันจะต้องปล่อยวางคือไม่ยึดมั่นถือมัน ไม่อยากได้ไม่ใฟ่ฝันเพราะสิงเหล่านั้นมันไม่เกิดไปอยู่มันเอาไปไม่ได้มันหาผาบหามไปไม่ได้หลงเทลไรก็ททาให้ใจเกิดทุกข์เท่านั้นนี่เป็นอุบายของทุกท่านที่จะพิจารณาหัดห้ามกำจัดขับไล่กีเบียัญหาไม่อย่างนั้นมันกม็มีทางที่มันจะตกจะหล่นออกไปจากจิตจา ก, จากใจของตัว การพิจารณาการศึกษาการปฏิบัติธรรมะเป็นเรื่องสําคัญคือเวลาพิพิจาปฏิบัติธรรมะนั้นเราไม่มีการงานอะไรการงานทุกอย่างเราปล่อยวางเอาไว้มีแต่การงานทางใจคือมีสติกำหนดรู้ความปรุงคิดต่างๆของใจอารมณ์อะไรที่มาเยือยุก่อควร คิดปรุงไปในทางขั้วทางเสียรีบกําจัดปัดเต่ามันออกไปอย่าให้มันมาเกาะกวนอย่าให้มันเกิดขึ้นด้วยมันเกิดขึ้นก็อย่าไปเอาใจใส่ปล่อยมันไปในอารมณ์เหล่า น, นั้นเพราะถ้าเราไปยุ่งเกี่ยวกับมันมันเกิดความทุกความลําบากขึ้นและไม่เกิดประโยชน์อะไรที่จะเป็นสติเป็นปัญญา สามารถที่จะนำความสุขความส ง, งบมาให้ต้องดูภายในดูใจของตัวเองขอสำคัญเรื่องอารมณ์เท่านั้นขอทุกอย่างทางกายทางวาจาเร า, าส ง, งบอยู่ไม่มีอะไรมารบกนวนเรานั่งอยู่อย่างสบายวาจางส ง, งบเงียกายวาจาส ง, งบแล้วยังเหลือแต่จิต ก็ต้องเอาสติจ้องดูเรื่องของจิตมันคิดมันปรุงมันอยู่มันเกี่ยวเรื่องอะไรถ้าหากเราไม่มีสติมันอยากคิดอยากปรุงอะไรก็ปล่อยมันไปนั้นมันไม่มีทางจะสงบให้ไม่มีทางที่จะสะบายให้ขัดยืนให้ดูเมื่อมันเกิอดอารมณ์ต่างๆขึ้นหรือมันจอนมา่งเกี่ยวกับใจก็ให้ ที่พี่เจนะเราเคยจิตขอ้องเกาะเกี่ยวยึดถือคิดตจงกับเรื่องเหล่านี้นะตลอดเว ล, ลานานปีแล้วมันดีอะไรได้ผลจำเลยไหมในการคิดตจงอย่างนั้นมันให้สุขให้สงบแค่ไหนเราทราบอยู่แล้วถ้าเรายังหลงไหลไปยุ่งเกี่ยวกับมันมันก็เหมือนกันกับที่ผ่านมาแล้วไม่เกิดสาระประโยชน์อะไรให้ห้ามเอาไว้อย่าไปยุ่งเกี่ยว มีสติกำหนดเพ่งดูสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเพ่งหัวใจก็ได้เพ่งกระดูกก็ได้ถ้าจะเพ่งในอย่างนั้นจะกำหนดบทบริกรรมก็กำหนดในทำบริกรรมอยู่นั้นเหนืออะไรจิตในรวมเราจะในไปยุ่งเกี่ยวกับอารมณ์สัญญาในตั้งสติเอาไว้อย่างนั้น เมื่อเราตั้งอยู่อย่างนั้นเราทําอยู่อย่างนั้นถือจิตของเราจะเลยรวมลงเป็นเอกคาตาตัวตามแต่นั้นก็่เด็พักคือมันไม่ได้ไยุ่งเกี่ยวกับอารมณ์สัญญาภายนอกมันมีกําลังตัวของตัวกว่าเด็ดซ้าหนึ่ตัวหวันนั่งเฉยๆคิดจุ้งเฉยๆจิตไม่อยู่จิตไม่อยู่ก็พราปล่อยมันไป ไม่อีระวังรักษาถ้าเราระวังรักษามันไม่เรียนลงไปเป็นหนึ่งมันอยู่ในคาบริกรรมรหรือเพ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่มันก็ได้พักผ่อนพอสมควรความสุขความสบายกำลังของใจมันก็เกิดขึ้นยิ่งมันรวมลงไปปล่อยสัญญาอารมณ์ได้มันเย็นมันสบายแค่ไหนมันก็ซาเพราะจิตรวม มันปล่อยลมไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันมาเรียอยู่อันเดียวกันในจิตเท่านั้นนี่คือจิตรวมมั น, น่นจ้ยุ่งเกี่ยวกับอะไรใจมันเป็นหนึ่งทางศาสนาท่านจริงว่าอัปปนาสมาธิหรือเอกเอตัคาตาล ม, มันรวมผู้ถีเห็นจี่เป็นเจ้าซา เรื่องเหล่านี้ถ้าไม่เคยเห็นเคยเจนนั่นก็อย่างว่าจะพูดจะอธิบายเท่าไรนั่นก็ไม่เข้าใจให้ถ้ามันเห็นมันเจนมันเข้าใจแต่มันรวมมันเป็นอย่างไรหรือมันถอนขึ้นมามันเป็นอย่างไรมันจะทราบนี่การประปฏิบัติมันเห็นมันเจนมันรู้อยู่ในตัวของตัวถ้าเราทําจริง ความจริงจะไม่มีไปไหนจะเกิดขึ้นกับใจของตัวเองถ้าเราทําเล่นอย่าไปคิดกิเลสตัณหามันจะหลุดจะลอยไปใจมันจะเย็นใจมันจะสะอาดมันไม่มีทางพระพุทธเจ้าที่ใดแต่จะรู้มาธรรมามาสอนโลกให้เราทำจริงครูอาจารย์ทุกท่านที่ปฏิบัติมาก็ท่านน้องเดียวกัน ความจริงจริงจึงเกิดความจริงขึ้นกับจิตกับใจเมื่อความจริงเกิดขึ้นในจิตในใจของท่านท่านจริงสุขจริงสบายจริงกล้าพูดได้บาธรรมะเป็นอากาลิกโกคือมีการมีสมัยพระพุทธเจ้าเสด็จนิพพานไปสอง0ันหารกว่าปีคนที่มุ่งมั่นปฏิบัติการจริงจังนั้น ความถูกความสงบหรือฝูดง่ายๆมักผลยังมีอยู่ไม่ได้สิบหายแต่ตามการตามเวลาแต่คนไม่ปฏิบตัติไม่ฝึกหัดจิตใจของตัวเ่านั้นที่สงสัยว่ามักผลไม่มนในโลกก็คือโลกว่าใจของเขาแต่ผู้ตัวพื่ปฏิบัตินั้นท่านไม่มีทางสงสัย ว่าวิเลี่ยนปัญหานี้จะขับไล่ออกไปได้หรือไม่ใจที่เคยสุ่มงยิงเกลียวต่างๆมันจะสงบได้หรือไม่มันจะต้องเห็นต้องเป็นในการกระทําบําเพ็ญของตัวทำมันเป็นอย่างนี้ผู้ปรบพชจะปฏิบัติมีสิทธิ์ทั้งคาริหัดทั้งรันพชิตที่จะถึกจะปฏิบัติตัวได้ดันั้นขอทุกท่านผู้มุงมั่นแสวง ห, หาความสุข ต่างหน้าต่างตาที่นิสัยเจนนะต่างหน้าต่างตาประพฤติปฏิบัติความสุขความสบายความสงบเย็นนั้นในต้องไปถามหาท่าหาเ้าประพฤติปฏิบัติถูกต้องแล้วมันจะเกิดจะเป็นจะเห็นจะรู้ในตัวของตัวทุกถุนหน้าเหมือนกันกับพืชผลต่างๆที่เราปลูกฝังลงไป ดอกผลของมันไม่ต้องปราถนาศาสตเรารักษาลำต้นของมันมันจะออกมา